ข้อปฏิบัติที่ให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีนี้เข้าหมู่บ้านไม่ชาวนักกลับไม่สายนักแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีไม่ เป็นผู้มีหญิงแพทย์าเป็นโครจรไม่มีหญิงไม้เป็นโครจรไม่มีสาวเือเป็นโครจรไม่มีบัณฑดอกเป็นโครจรหรือไม่มีภิกษุณีเป็นโครจรแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกลุ่บุตรผู้เคยเป็นอญยเดยรัตถีเป็นผู้ขยันไม่เกียดคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพื่อนโภมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญา เครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้นอาจทำอาจจัดแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้ทรงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีเป็นผู้มีฉันทะแรงกล้าในอุเทศในปริปุชขาในอธิศิลธิจิตอธิปัญญาแม้ชื่อนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถ์ถีออกจากหน้าที่ของครูใดเมื่อมีผู้กล่าวตีเตียนครูนั้นกล่าวตีเตียนความเห็นของครูนั้นความชอบใจของครูนั้นความพอใจของครูนั้นความยึดถือของครูนั้นย่อมพอใจร่าเริงชอบใจเมื่อกล่าวตีเตียนพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์กลับโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจ ก็หรือออกจากละดีของครูใดเมื่อเขากล่าวสันเสริญครูนั้นกล่าวสันเสริญความเห็นของครูนั้นความชอบใจของครูนั้นความพอใจของครูนั้นความยึดถือของครูนั้นย่อมโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจเมื่อเขากล่าวสันเสริญพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ย่อมพอใจร่าเริงชอบใจข้อนี้เป็นเครื่องสอบสวนในข้อปฏิบัติที่ชวนให้สงยินดี ของกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดียรถีพิกสุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดรถีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้ทรงยินดีอย่างนี้กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญาเดรถีผู้ปฏิบัติให้ทรงยินดีอย่างนี้มาแล้วพึงให้อุปสมบท